ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องไมตรีจิตของคนแจวเรือนานมาแล้วมีกษัตริย์หนุ่มพระองค์หนึ่งนามว่าพระรามจักรเมื่อทรงครองราชสมบัติต่อจากพระบิดาได้เพียงสามปีก็ทรงเบื่อหน่ายทางโลกพระนางสีเมธีผู้เป็นมเหสีจึงทูลให้พระรามจักรยกราชสมบัติให้พระอนุชาองค์รองแล้วออกผนวช โดยพระนางจะขอตามไปปนิบัติรับใช้อยู่ด้วยพระรามาจัดซนยินดีที่พระนางสีเมธีเข้าพระทยัยจึงทรงเร่งยกราชสมบัติให้พระอนุชาแล้วออกผนวดเป็นรือสีในการละครั้งนี้สหพาทีองครักผู้จงรักภักดีอาสาติดตามไปรับใช้พระองค์ด้วยพระรามาจาักรพระนางสีเมธีและสหภาธีเดินทางด้านดานไปสู่ป่าลึก เพื่อค้นหาที่สงบเงียบบำเพ็ญเพียรภาวนาครั้นมาถึงแม่น้ําสายหนึ่งซึ่งกว้างใหญ่มากก็จำต้องหาเรือเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งขณะนั้นเองมีคนจวเรือคนหนึ่งว เ, เรือผ่านมาพอดีสหาพาทีจึงร้องเรียกให้คนจวเรือหยุดนี่เจ้าคนจวเรือคนนั้นนะ่ะหยุดเดี๋ยวข้ากับเจ้านายจะขอให้เจ้าพาข้ามไปฝั่งโน้นสักหน่อย คนแจวเรือหยุดเรือต่อหน้าคนทั้งสามเขาเหลือบมองพระรา ม, มาจากและพระนางสีเมธีก็จําได้ทันทีว่าทั้งสองเป็นถึงกษัตริย์แห่งเมืองของตนท่านคนแจวเรือตกใจจนหน้าซีดแม้พระรา ม, มาจากและพระนางสีเมธีจะออกเยี่ยมราษฎรด้วยความเมตตาอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อต้องมาพบพระองค์จริงๆเช่นนี้ คนเจ้าเรือก็อดกลัวเกรงในพระบารมีไม่ได้เหมือนพระรามมาจากจะเข้าพระไทยพระองค์จึงกล่าวแก่คนเจ้าเรือว่าอย่า ก, กลัวไปเลยคนเจ้าเรือตอนนี้เราไม่ใช่พระรามมาจากผู้เป็นเจ้าเหนือหัวของเจ้าอีกแล้วแต่เราเป็นรามาจากคนธรรมดาที่กําลังก้าวเข้าสู่เพศบรรพชิตบําเพ็ญภาวนาหาทางพ้นทุกข์เพื่อช่วยโปรดสัตว์ทั้งหลาย คนแจวเรือก้มลงกราบพระรามมาจากักและขออนุโมธนาร่วมไปกับพระองค์จากนั้นจึงเชื้อเชิญให้คนทั้งสามขึ้นเรือเพื่อพาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อมาถึงฝั่งพระรามมาจากักก็คิดว่าควรจะมีอะไรตอบแทนน้ำใจคนแจวเรือบ้างแต่เพราะตั้งใจจะมาบวชและอยู่อย่างฤาษีชีพไพรพระองค์จึงไม่ได้นำเงินหรือสมบัติอะไรติดตัวมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียว หม่อมชันมีแหวนอยู่วงหนึ่งคงพอจะใช้ตอบแทนน้ำใจของคนแจวเรือได้นะเพคะพระรามจาักรับแหวนวงนั้นไปยื่นให้แก่คนแจวเรือแต่คนแจวเรือไม่ยอมรับเขาบอกว่าคนเราเมื่อมีอาชีพเหมือนกันแล้วก็ไม่อาจจะรับค่าตอบแทนของกันและกันได้หรอพระเจ้าค่ะอาชีพเดียวกันไม่รับค่าตอบแทนของกันและกันหมายความว่าอะไรเหรอ พระรามาจากทวนคำด้วยความไม่เข้าใจคนแจเรือจึงอธิบายให้พระองค์ฟังว่าสมมุติว่ากระหม่อมเป็นช่างตัดผมแล้วมีช่างตัดผมด้วยกันมาวานให้ช่วยตัดผมกระหม่อมก็ไม่อาจจะคิดค่าตัดผมเขาได้กลับกันถ้ากระหม่อมไปขอให้เขาตัดผมเขาก็จะไม่คิดค่าตัดผมกระหม่อมเช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะมีเช่นนี้จริงๆนะหรือ พระรามาจากอุทานด้วยความแปลกประภัยช่างตัดผมตอบว่าพระเจ้าค่ะเป็นไมตรีจิตของเพื่อนร่วมอาชีพที่ต้องระลึกถึงกันและคอยช่วยเหลือกันอยู่เสมอดังเช่นพระองค์กับกระหม่อมที่มีอาชีพเดียวกันเมื่อเราช่วยเหลือกันก็ไม่อาจคิดเงินกันและกันได้ ถึงตอนนี้สหภาทีซึ่งนิ่งฟังอยู่นานก็ถึงกับอดรนทนไม่ได้ลุกขึ้นมาโวยวายใส่คนแจวเรือว่าทําไมเจ้าบางอาจพูดจาตีตนเสมอเหมือนกับพระรามมาจากขนาดนี้เจ้าเป็นแค่คนแจวเรือจะมาพูดได้อย่างไรว่ามีอาชีพเดียวกันกับพระองค์ผู้เป็นถึงเจ้าแผ่นดินเห็นทีข้าจะต้องสั่งสอนให้คนอย่างเจ้ารู้ตัวบ้างซะแล้วหยุดนะสหภาที พระรามมาตรกร้องห้ามตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าแผ่นดินอีกแล้วเราเป็นแค่คนธรรมดาที่กําลังจะออกบวชขอให้เจ้าท่องสิ่งนี้ให้ขึ้นใจด้วยสหภาทีจึงยอมลดท่าทีของตนลงพระรามมาตร ก, กล่าวถามคนจวเรือต่อว่าเรายังข้องใจที่เจ้าบอกว่าเราสองคนมีอาชีพเดียวกันอาชีพของเราสองคน เหมือนกันอย่างไรหรือคนแจวเรือตอบว่าเมื่อพระองค์ยังเป็นกรรษัตริย์อาชีพของเราไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยแต่เมื่อพระองค์เป็นนักบวชผู้สแสวงหาทางพ้นทุกข์พระองค์กับกระหม่อมก็ประกอบอาชีพที่ไม่ต่างกันเลยเพะยะค่ะอย่างไรล่ะพระรามมาจักถามต่อ ในขณะที่หม่อมชั้นแจวเรือพาผู้คนมากมายข้ามแม่น้ําจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งพระองค์ผู้ทรงสแสวงหาทางหลุดพ้นก็คือผู้ที่จะนํามนุษย์จํานวนมากข้ามมหานทีแห่งชีวิตไปสู่หนทางพ้นทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้เราทั้งสองจึงมีอาชีพเดียวกันพระเจ้าค่ะพระรามาจาักได้ฟังดังนั้น ก็รู้สึกชื่นชมยกย่องในความคิดและไม่ตีจิตอันงดงามของคนจ่าเรือมากทรงเข้าสวมกอดคนจ่าเรือโดยไม่ถือพระองค์และให้พรสูงสุดแก่เขาพร้อมทั้งสัญญาว่าหากบรรลุทําได้จะทรงกลับมาโปรดคนจ่าเรือเป็นคนแรกเธอทั้งหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้เรามีน้ำใจเมตตรีเอื้อเฟื้อต่อกัน คนเราเมื่อมีอาชีพเดียวกันหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วหากมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันก็จงช่วยเหลือเขาให้เต็มที่อย่าได้หวังผลตอบแทนช่วยด้วยไม่ตีจิตช่วยด้วยความจริงใจเพราะคนที่เขามีอาชีพเดียวกันกับเราเขาไม่แค่ทำอาชีพนั้นเหมือนเราแต่ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องร่วมอาชีพกับเราด้วยถ้าถามถึงเหตุผล ก็คงไม่มีเหตุผลหลอกว่าทําไมถึงต้องช่วยแต่การช่วยเหลือกันอย่างจริงใจของคนในหมู่เดียวกันจะทําให้เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเกิดความรักความกรงเกียวความสามคัคคีเธออาจจะไม่เห็นประโยชน์ของมันในยามที่เธอมีเสียงหัวเราะให้กับชีวิตแต่เธอจะซาบซึ้งกับมันในวันที่เธอร้องไห้เพราะคนหมู่เดียวกับเธอนั่นแหละที่จะเข้ามาช่วยประคับประคองให้เธอผ่านพ้นความทุกโศกนั้นไปได้ จนกลับมามีเสียงผัเราะเริงร่าอีกครั้งหนึ่ง